อุตชาวิสัชนาธรรมจับท่านหลวงตาณหลวงศักด์ขี่นาโมต อ, อนอย่าสรงจิตออกนอกตอนที่หน่งให้หยกฟังไปบทเดียวสองตอนแล้วเป็นยังไงบ้างกลับที่เราเป็นอยู่แล้วก็มาฟังเพิ่มแล้วเป็นยังไงบ้างในความรู้ของใจไหนอธิบายสิ แรกที่หนูเข้าใจนะคะเรื่องสมาถะสมาถะเนี่ยคือการเพ่งจ้องเพ่งจ้องกับอะไรสักอย่างนะะหลวงตาคืออย่างคือที่หลวงตาบอกว่าใช้พุทโธ เ, เป็นเครื่องล่อก็คือเจาะจ้องกับพุทโธคือเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไว้เนี่ยคือการเราเพ่งจ้องและเพ่งจ้องกับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆอันนี้ก็คือเกิดเกิดสมาถะขึ้นมาพอเข้าถึงวิปัสสนา คือเห็นตัวเพ่งจ้องการท่องพุโทโธพุโทโธเนี่ยไอ้ที่เครื่องร่อเนี่ยมันเป็นสังขารเป็นความคิดเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาค่ะก็คือให้เห็นเห็นตรงนั้นก็คือเห็นว่าเออทุกอย่างมันเป็นปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางมันจากที่หนูเป็นหนูหลงเข้าไปเป็นสังขารแห่งความรู้สึกคือหลงไปเป็นจิต หลงเป็นหลงความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนคือหลงว่าเอาตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยจมอยู่ไปจมอยู่จมจมไปกับความรู้สึกจนเป็นโรคซึมเศร้าพอเป็นโรคซึมเศร้าหนูไม่เห็นหนูหนูไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยหลงเข้าไปเป็นจิตหลงเข้าไปเป็นความคิดเอาตัวเอาความคิดเนี้ยเป็นตัวเราก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยมันป่วยเพราะว่าร่างกายจิตเนี่ยมันไม่อยากอยู่ละ มันบอกมันรู้สึกว่าเอ้ยมันทุกข์ทรมานเหลือเกินมันเลยไม่ดูแลสังขารไม่ดูแลร่างกายพอไม่ดูแลร่างกายปุ๊บน้ําหนักก็เริ่มลดลงลดลงแล้วก็เริ่มไม่กินข้าวพอไม่กินข้าวอะไรที่เราเป็นอยู่เนี่ยโรคอะไรที่เป็นอยู่มันผุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งลำไส้ทั้งเนื้ององกมันโตขึ้นทั้งทุกอย่างมาเต็มเกิดขึ้นมากลับมาหมดเลยค่ะจากที่แบบเ อ, อ, อยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันเป็นเด็กแบบเด็กไม่คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะ หนูจมจมจริงๆ จ, จมกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับในชีวิตประจําวันจมกับความทุกความเครียดความคิดแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมหนูก็จมหนูจมเวลาหนูท่องเวลาหนูท่องแบบคิดพิจารณาร่างกายหนูก็จมจมอยู่ตรงเนี้ยโดยที่ว่าพิจารณาร่างกายดีค่ะแต่ว่าตัวหนูตัวหนูเองนะคะตัวหนูเองอะ่ะหนูจมแบบว่าไม่รู้ว่ามันกลายเป็นความทุกข์ความเครียดคือยึด ยิ่งยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งยิ่งตึกตองหนูยิ่งยึดมากขึ้นแต่หนูไม่รู้ว่าคอนอื่นเันไ ง, แ, งแต่ตัวหนูอะหนูคิดว่ายิ่งยึดมากขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นหนูพอก่อนพอก่อนมันก็รู้สึกเออสบายขึ้นพอหนูมานั่งดูจิตหนูก็ตามความคิดทุกอย่างเลยค่ะตามตามตามไปตามตามจนมองว่าเรานั่งจ้องจนมันจ้องทั้งวัน AN, นะคะ่ะจ้องจนเครียดอะคะจ้องจนเครียดเสร็จหนูก็เลย เ, ออเครียดงั้นหนูก็พักก่อนละกันพอพักเสร็จหนูก็เลยรู้สึกว่าอมืมันสบายกว่าค่ะแล้วสุดท้ายหนูก็เลยรู้สึกว่าเออการไม่ไม่ยึดทั้งร่างกายทั้งความคิดทั้งจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือการปล่อยวางเนี่ยสบายสุดแล้วก็คือการปล่อยวางนี่ก็คือคือคื อ, คอที่เขาเรียกว่าการเข้าสู่สิทธรรมชาติเดิมแท้ค่ะ คือที่หลวงตาบอกมันแต่งเป็นสาอย่างในพระพุทธเจ้าค่ะนหนังพระพุทธเจ้าศาสวาโลกก็คือมีกายมีจิตแล้วก็ฟุททะที่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะกายกับจิตเนี่ยก็คือสังขารเหมือนกันมันเป็นปรุงแต่งสุดท้ายมันก็ดับไปแต่ฟุตทะหรือตัวจิต ด, ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วมีอยู่ในธรรมชาติมีของมันทุกคนอยู่แล้วทั้งแม้กระทั่งทุกสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้กิเลสอ่ะทับถมในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเราทับถมด้วยกิเล กิเลสมากขึ้นจนเป็นภูเขาจนเราเอามาบังจิตเดิมแท้ของธรรมชาติตรงเนี้ยค่ะความรู้สึกที่เข้าใจอย่างนี้คือเราใช้กิเลสทับถมทับถมจากความอยากความความอยากเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวกิเลสหนูคิดว่าอย่างนั้นสุดท้ายหนูก็รู้สึกว่าการปล่อยความอยากหรือความรู้สึกอะไรลงไปก็ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยให้กับคืนคือมีอารมณ์อะไรก็รู้อะรู้เห็นว่าอารมณ์อะไรนะึกคิดอะไรรู้เห็นแล้วก็เออปล่อยผ่านปล่อยผ่าน ปล่ยผานก็คือมองเห็นว่ามันอืมมันเป็นทุกข์อ่ะคือการคันย้อนกลับไปนึกคิดเนี่ยก็คือการย้อนกลับไปในอดีตแล้ะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วหลุดจากการเป็นปัจจุบันแล้วอ่ะพอเรากลับย้อนกลับไปนึกคิดในเรื่องของอดีตปุ๊บเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาค่ะมันไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันตอนที่หนูคิดตรงนั้นนะคะมันก็เลยทําให้หนูเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่ากลับไปโจมกับความทุกข์มันก็กลายเป็นทับถมทับถมเป็นกลายเป็นซึมเศร้าขึ้นมาค่ะโยตา แล้วก็จากความเข้าใจมาถึงตลอดมันจะถึงแัด น, นี้นะก็จากที่ฟังมงันจะถึกเมื่อกี้นี่ยที่ความเข้าใจชัดเจนยังไงเ อ, อชัดเจนขึ้นคือหนูไม่เคยเห็นหนูไม่เห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยหลงไปเป็นความรู้สึกเอาตัวเองไปเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะค่ะ ห, หนูตาไม่เห็นเลยไอ้คนที่คิดนึกคิดอารมณ์หรืออะไรหรื อ, รอคนที่มองจ้องต้องดูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือการหลงไปเป็นการปรุงแต่งคือหนูไม่เคยเห็นตรงนั้นเลยค่ะหลวงตาแต่การถ้าเกิดเราปล่อยไอ้ความรู้สึกในคิดอารมณ์หรือพู้ปองผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติธรรมพู้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เราเร า, เราต้องเห็นตรงนั้นก่อนนะคะถึงเราถึงจะปล่อยวางได้ว่าไอ้ที่เราเราทําอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นภาระเราไม่ต้องเห็นตรงนั้นก่อนค่ะที่หลวงตาบอกว่าเราเห็นทุกข์ก่อนเราถึงจะเห็นธรรมค่ะหลวงตา เรามีมีความมั่นใจไหมแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยว่ามันจะไม่กลับไปหลงอีกอืมคือถามว่ามั่นใจไหมพอเวลามันเจอทุกจริงจริงอะค่ะมันต้องต้องที่หลวงตาบอกว่าต้องกลับมีสติก่อนคือเราต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนว่าเอ้ยต้องขินก่อนว่าไอ้ที่เราหลงไปเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสังขารแต่หนูไม่มั่นใจว่าตรงเนี้ยหนูจะจะร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่ว่าความเข้าใจในวันเนี้ยมันอาจจะ อาจจะช่วยได้เพราะว่าในะวันที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมันเห็นนะคะหลงตาแต่ว่ามันไม่เห็นอยู่ตัวหนึ่งคือการหลงเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราหนูก็เลยจมเข้าไปเต็มๆเลยคือจมกับความทุกข์ความเครียดความรู้สึกจมว่าลืมลืมนึกไปเลยว่าตรงเนี้ยคือเราเอาตัวเองไปเป็นการปรุงแต่ง แม้กระทั่งตัวเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหนูก็ไม่เห็นว่าตรงเนี้ไอ้ตัวที่เป็นร่างกายหรือความคิดที่หรือแม้กระทั่งผู้พูดอยู่เนี่ยหนูไม่เห็นเลยนะวันที่จมทุกข์อ่ะไม่เห็นเลยว่าตัวเนี้ยเป็นสังขารเป็นปรุงแต่งสุดท้ายมันเป็นสมมุติแล้วมันก็ดับไปหนูไม่เห็นตรงนั้นเลยค่ะถ้าเกิดเห็นตรงนั้นได้หนูคิดว่ามันก็มันเข้าใจมากขึ้นนะคะหลวงตาคือมันมันเห็นได้แล้วมันจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอใจใจกับสิทธตอย่างมันคนลรตัวกัน จิตน่ยมันมีของเขาเอ่อจิตอะมันคือผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองหรือการจ้องมองหรือผู้ปฏิบัติทําอะไรก็แล้วแต่จิตเนี่ยคือการคิดแต่ว่าเอ่อใจเนี่ยเขามีของธรรมชาติอยู่แล้วใจเนี่ยไม่มีไม่มีหน้าที่อะไรเลยใจเป็นส่วนที่สามเนี่ยที่ไม่มีหน้าที่อะไรแค่เป็นแค่ผู้มอง เ, ยเฉยๆมองแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยไม่สามารถช่วยอะไรได้ด้วยต้องใช้จิตเนี่ยไปสอนไปสอนใช้ความคิดเนี่ยค่ะมาสอนตัวเราเนี่ยให้เราเข้าใจเราค่อยปล่อยวาง แต่ที่สาคัญเลยที่หนูรู้สึกว่ามันสําคัญที่สุด ก, ก็คือสินห้าสินห้าต้องครบก่อนคือมันต้องเข้าใจว่าทุกคนก็รักชีวิตของตัวอย่างรักค่าสักย์อะไรเงี้ยสินห้าคือต้องพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่าสําคัญนะมันมันสําคัญมากเลยเพราะว่าแต่ละชีวิตเนี่ยก็การโกหกการประพฤติผิดในการหรือการพูดปดหรือแม้กระทั่งการดื่มสุรามุม่เนามันมีโทษต้องเห็นก่อนด้วยค่ะลูกตามันถึงจะค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆ พอมาถึงพอได้ห้ารักษาสิ่งทาโดยที่ว่าไม่ได้ยึดนะคะว่าสิ่งท่าเนี่ยว่าเราจะต้องทําได้จริงๆคือแค่เรามองอย่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันควรจะมันจะควรจะทําได้ก่อนว่าชีวิตทุกคนเนี่ยเขาหลักของตัวเองอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะก็ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์ก็การไปเอาของคนอื่นก็คือการยึด สิ่งทุกอย่างเป็นของของตนการขโมยการลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปเอาของเขามาเขาก็รักของเขาเหมือนกันข้อสามหนูรู้สึกว่าการประพฤติผิดในการมันเกิดการลุ่มหลงอ่ะคะ่ะแล้วก็ข้อสี่การพูดปดหนูรู้สึกว่าการโกหกมันไม่เห็นความจริงส่วนข้อห้าหนูเห็นว่าเออการดื่มเหล้าก็คือการดื่มสุราของมันเมาเนี่ยคือมันขาดสติ พอถึงข้อสามบริสุทธิ์เนี่ยที่หลวงตาบอกว่าถ้าเกิดมันจะเข้าใจจริงๆอย่างละเอียดเลยเนี่ยคือคือการถือภูมาิจารีเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่มีการยึดยึดบุคคลอื่นหรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นของของตนนะคะหลวงตาพอมันเห็นตัวทุกอย่างแล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นของของตนเลยอะ่ะก็ก็ก็ต้องปล่อยวางว่าเห็นมันเป็นความทุกข์แล้วก็ปล่อยปล่อยเขาไปอะไรเนี่ย มันถึงมาจะมาเข้าใจถึงจุดนี้ได้นะคะหลวงตาประเพียนปฏิบัติอย่างที่เราพูดเนะเี่ยนะเพลียได้จริงๆก็จะพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยเปลียนต่อเนื่องไม่ขาดสายอาสายความผิดพลาดที่เคยผิดพลาดมาแล้วที่จนมีความคิดมีอารมณ์มีความเศร้าหมองจนซึมเศ้าเป็นต้อง เห็นความผิดพลาดเนี่ยเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดนี้ไม่ให้กลับไปผิดพลาดอีกนะค่ะอ้าไปใกล้น่ะแตนที่เป็นไงมันเมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจเลยเดี๋ยวนี้เข้าใจมันวิวเนี่ยมันวิววิวเมื่อก่อนนี่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจระบบจนเลยวันนี้เลยให้ฟังทั้งระบบอ่ะฟังเสร็จแล้วแล้วก็บวกกับความที่มันเป็นอย่างวุ่นเมื่อก่อนเป็นอย่างวุ่นเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจว่าระบบมันคืออะไรแล้วหลังจากมาฟังวันเนี้ย ต้องสองตอนเนี่ยต้องสมถาวิปัสนาตั้งสองตอนนอะ่ะแล้วมันเป็นยังไงตอนเนี้ยถึงเวลานี้แล้วเป็นยังไงค่ะการหนูตานะคะคืออย่างเมื่อก่อนนี้ก็จะติดเป็นสมถานะคะพอเมื่อก่อนก็จะดูดูกายแล้วก็ อ, อรู้รู้กายรู้ใจแต่พอวันนี้ฟังแล้วมันก็จะกระจ่างขึ้นนะคะเหมือนกับว่าได้ได้ทราบว่าวิปัสนาเนี่ยต่างจากสมถายัางไงอ่ะคะ่ะก็ชอบในจุดนี้แล้วก็พอฟังไปแล้วก็พยายามนึก เ, เหมือนกับว่าทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเช่นเหมือนกับว่าที่ฟังเทปที่หนึ่งกับที่สองเนี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราต้องเหมือนกับว่าไม่ไม่ยึดว่าอะไรที่เป็นของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดตามก็เหมือนเข้าใจระบบมากขึ้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดพูดถึงการปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะคือของของยูนิสติด นิดหนึ่งอะคะ่ะถือที่อย่างเมื่อก่อนที่บอกว่าเหมือนดูตัวเองแล้วเห็นร่างกายเป็นกระดูกแล้วหลงตาก็บอกว่ายังไม่ผ่านเพราะว่ายังไม่กล้าที่จะมองมองเขาต่อไปอะคะ่ะก็เลยอย่างก็เลยข้ามไปเลยะคะ่ะเพราะว่าพอดูต่อไปแล้วมันเหมือนติดว่าเราเครียดอะคะ่ะคือมองแล้วพอมันเห็นภาพแล้วเราก็พยายามต่อต้านว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เลยลองไปเดินตรงกลมรอบเจดีอ่ะคะ่ะก็เลย ไม่ได้ดูร่างกายที่เป็นกระดูกเหมือนเดิมก็จะพยายามดูว่าใจนี้กายนี้ไม่ใช่ของเรามันก็จะมีสุขมีความสุขอะค่ะก็พยายามปล่อยว่าไม่ยึดกับความสุขตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ตรงที่ไปดูกายดูกระดูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังเหมือนติดหรือว่าพอเราไปดูแล้วเราจะจะเครียดอะคะ่ะคือเหมือนกับพอเห็นภาพที่เราเห็นเราก็จะไม่ไม่อยากดูต่อหรือว่ามันก็จะเหมือนกับ เหมือนกับว่ามันไม่เบาอ่ะค่ะหลวงตาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นก็คือพอมามาที่นี่แล้วก็ฟังธรรมะจากหลวงตายเนี่ยค่ะก็จะเอาไปใช้ได้คือพอดีว่าพอทํางานหรืออะไรมันก็จะมีกระทบอย่างเนี้ยค่ะก็เอาไปใช้ด้วยว่าปล่อยวางแล้วก็ทําทําประโยชน์ด้วยอะค่ะจะเลี่ยงอย่างนั้นไม่ได้ฮนะอืม เราพิ้นนากายจนเห็นแล้วเห็นกระดูกเห็นร่างกายตัวเองเน่าเปื่อยเราเลี่ยงไม่ยอมดูต่อเลี่ยงไปเอาความสบายอย่างนี้ผิดเนี่ยผิดผิดเ ร, เราเราเลี่ยงอย่างนี้ข้ามไม่ได้เราเราข้ามไม่ได้ข้ามความจริงไม่ได้เราก็จะได้แค่ความสบายแล้วที่สุดแล้วก็ทุกเหมือนเดิมท่า น, นต้องข้ามไปให้ได้ต้องเพ่งต้องพิจารณาให้เป็นความจริง มันใจมันยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้เพราะมันต้องเป็นจริงๆอย่างนั้นเน่ยเราก็ต้องเป็นจริงๆงั้นน่ยความจริงเ่ยของจริงอ่ะเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วทุกคนไม่อาจจะหนีพ้นตรงจุดนี้ไปได้เราต้องน้อมเข้าน้อมเข้าน้อมเข้าถึงความจริงอันนี้เพราะว่าโอกาสที่คนจะน้อมแล้วมันจะเห็นร่างกายตัวเองเห็นเห็นกระดูกเห็นร่างกายตัวเองตายหน้าเปื่อยผุพังเนี่ย ปัญหายากโอกาสอย่างนี้ที่ควรจะทําได้แล้วเรายอมทิ้งพรสวรรค์วาสนาเก่าไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกเราก็เหมือนคนที่มีพรสนาพรสวรรค์วาสนาเคยเล่นกีฬาเก่งแต่เห็นเขาเล่นดนตรตีเลยอยากจะเล่นบ้างแต่พอมาเล่นดนตรตีมันไม่ไม่ถนัดแล้วมันเล่น ไม่ไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่เก่งเล่นอย่างนี้เล่นไม่เก่งแต่เองเก่งกีฬาถ้าเล่นกีฬาแเราก็พอลงไปเล่นปุ๊บมันมีพอสวรรค์ปุ๊บเล่นแป๊เดียวก็เล่นเก่งแล้วหรือเหมือนคนเล่นดนตรีอ่ะเป็นดนตรีเก่งเห็นก็เล่นกีฬาแล้วรวยเล่นกอล์ฟรวยก็เลยอยากจะรวยเขายังบ้างละทิ้งที่ตัวเองเล่นเก่งเน่ะเป็นดนตรีเก่งไปเล่นตีกอล์ฟมันไปก็ไม่ไปยังไงเพราะว่า มันไม่ใช่วัสนาไม่ใช่พสัสรรวะเก่า น, นั่นแหละคนที่พิจารณาจนเห็นร่างกายของตัวเองนะเนี่ยจนรู้สึกว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแล้วเนี่ยอย่าทิ้งวัสนาเก่านี้ไปแล้วไปเอาวัสนาใหม่คือไปไปทําเดินทางเส้นใหม่มันจะไม่ได้อะไรนะเราจะต้องต้องใจแข็ ง, ขง ต้ออย่ายอมแพ้แต่ยอมแพ้แล้วตรงเนี้เสียหายแม่บรรดาเลยมันจะไปจับความสบายแล้วก็ถึงจะเรียนยังไงของใหม่มันก็ไม่เหมือนของเกา่าที่เรียนวัฒนาเดิมมันจะเหมือนกับคนที่เล่นดนตรีเก่งแล้วจิ้งป้อนหวานตัวเองไปเล่นกีฬาไปตีกรอบอยากรวยเหมือนเขามันก็ไม่ไปตีไม่ไปอย่างไงหรอกฝึกไงก็ไม่ไปไงเพราะตัวเองไม่สนัะ แล้วก็พอมันเครียดแล้วก็ให้มันมีแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจแต่ความเครียดเราต้องปรับไม่ต้องให้ไออย่าให้มันเครียดดูเหมือนดูธรรมดาเลยดูเอาความจริงแล้วแบบอย่ากระโดดข้ามไปอย่างอื่นอย่าเปลี่ยนไปอย่างอื่นต้องมีความเพียรออไม่กลัวแล้วก็เราก็อยู่ในบุดเดินได้มาก อย่าอย่านั่งหลับตานิ่งๆให้มันปีจานรณาโดยเฉพาะว่าจิตตื่นเหมือนไม่ไม่ชี้แก้วอะ่ะไม่ชี้แก้วที่เป็นที่ปีจาราหลวงปู่มั่นโพเีธาโตพาจารยใหญ่ให้ไปภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ชี้แก้วไปปว้ภาวนาพุทโธพุทโธเราเหมือนนั่งหลับไปแล้วฝันว่าตัวเองนอนตายแล้วเน่าไปหมดเลย หลวงปู่มั่นเห็นในฝันว่าหลวงปู่มั่นเด้วถึงไม่เท้ามาแล้วก็เอามาเขีย่ยเขี่ยตรงไหนก็เน่าเละเทะหมดอ่ะรุดรุ่ยหมดเลยเขี่ยท้องแตกไส้ไหลเขี่ยไส้ออกมาเขี่ยไปเหว่าออกมาเขี่ย อ, อมาทุกชิ้นส่วนให้เห็นชัดเจนมากเลยเห็นอย่างนั้นเนี่ยฝันนั่งหลับฝันไปพุทโธพุทโธแล้วก็ได้นั่งหลับฝันไ ป, นนไปจนถึงสว่างหลวงปู่มั่นก็เลยให้ เด็กวัดมาตามไปไปกินข้าววัดบ้านของอยู่ไม่ไกลวัดอ่ะมาตามให้ไปกินข้าววัดไม่ไปเพราะว่าหลวงปู่บ้านให้การบ้านมาบอกว่าให้มาภาวน า, าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็ไปไปสกก่งการบ้านว่าลุกงขึ้นไปสกก่งการบ้านแต่นั่งหลับฝันไปเลยไม่ไม่ได้ภาวน า, าพุโทโธเลยไม่กล้าไปเพราะว่าหลวงปู่บ้านเนี่ยดูดุมากก็ไม่กล้าไปหลวงปู่ม่านให้เด็กมาตามรอบที่สองไม่ไปอีก แตนน่รอบที่สาหลวงปู่มั่นบังคับว่าต้องเอาตัวไปให้ได้ก็เลยยอมไปพอไปถึงเนี่ยโอ้หลวงปู่มั่นดุมากเป็นเป็นผู้ที่ดุมากก็เข้าไปยังไม่ทันถึงเลยก็อย่าเพิ่งได้อย่าเพิ่งได้อีกฉันนะอย่าพิ่งได้อีกฉันอีฉันไม่ได้เพาว่านาพุโทโธพุโทโธเลยมัวแต่นั่งหลับแล้วฝันไป รีบสารภาพตะไกลเลยหลุงบ่อว่านเลยแก้งดูอ่ะฝันอะไรอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังหลุงพ่ว่านบอกามันถูกแล้วอันนั้นน่ะไอไปพิจารณาอย่างนั้นน่ะซ้ำๆให้มากเออนึอกว่าจะโดนจะโดนดุแล้วเพิ่อเลยไม่โดนดุก็เลยกลับไปพิจารณาแบบนั้นเนี่ยเดิน เดินนะพิจารณาการเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพิจารณาอย่างเรียกว่าเดินจงกรมพิจารณาอย่างงั้นเนี่ยที่ัร่างกายตัวเองตายเน่าคงมันจํ า, าได้มันเคยเห็นแล้วเนี่ยก็พิจารณาซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่ยี่สิบกว่าวันนะก็เลยพักว่าจะไปนั่งไปนั่งพักที่แคร่ที่กอนรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่แคร่หักกระเด็นหมดเลยว่าจำเป็นนั่งแนะ้พบชาติเจ้าจบสิ้นแล้วพบชาติเจ้าจบสิ้นแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบรรลุอลหรหันต์เลยมันเป็นทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินกันมาล้วนแต่เดินกันมาทางนี้จงเป็นส่วนใหญ่เราอย่าเลี่ยงอย่าเลี่ยงไปเอาใจสบายเราอย่างนี้สามารถบริกรรมพุโทโธสลับไปได้ไหมคะอย่าไปถ้าเห็นชัดแล้วอย่าไปบริกรรม เห็นชัดแล้วให้กัดติดจดจอจดจอกับติดกับติดจดจออยู่ตรงที่เราเห็นนั่นแหละไอ้มันสลายไปให้ได้คือวิธีข้ามไปก็คือให้มันสลายไปให้เป็นให้เป็นคีดเท่าทุรีไปให้ได้จะได้หายเะียอิสเอียนหายกลัวให้มันเป็นคีดเท่าทุรีไปอ่าให้มันคาอยู่งั้นให้มันเป็นคีดเท่าทุรีไปจะกระทั้งเ ติตร์แล้วก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุรูปที่ว่างเปล่ามาจากความว่างเปล่า ก, way, ก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่ามาจากดินก็กลับคืนสู่ดินมาจากน้ําก็กลับคืนสู่น้ํามาจากลมก็กลับคืนสู่ลมมาจากไฟก็กลับคืนสู่ไฟมาจากความว่างก็กลับคืนสู่ความว่างไม่เหลือตัวเหลือตนเสร็จ แ, แล้วก็น้อมกลับมาใหม่อีกน้อมกลับมาอีก แบบนั้นนี่ยตอนน้มันก็จะเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มไม่เสียดีแเพราะว่ามันมันมันผ่านไปจนทะลุไปแล้วแล้วเราก็กลับมาน้อมใหม่ถ้ายังไปอีกทีเยนยังยังกลัวอีกก็น้อมให้มันทะลุไปให้มันผูพังไปนอกเปื่อยผูพังแล้วก็ให้มันไปเร็วเลยก็ต้องไปไปเปล่ยนธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟผูพังสลายไปหมดเป็นคิดเท่าธุลีเป็นแล้วก็ตนเป็นคิดเท่ากระดูกก็เปรนอยังคานทิ้งหายไปหมดเลยอ่ะแล้วก็กลับมาน้อมอย่างนั้นอีกอะต่อไปมันจะไม่ค่อยกลัวไม่เสียดีอีก มันมันมันไปจนทุกเส้นทางแล้วก็กลับมาน้อมอีกอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำนะถ้าอย่างนี้ยไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ว่ากายจะทํางานอะไรก็ใจก็น้อมอยู่ไม่ว่ากายจะทํางานอะไรใจก็ใจก็น้อมอยู่อย่างนั้นแหละไอ้น้อมม่นมันชัดเจนจะมันมันติดจิตแล้วต่อไปไม่ว่าการทํางานไหนก็ติดอยู่แน่แนะมันน้อมมันไปเหมือนของเล่นน้อมมันได้อยู่ตลอดเวลาไอ้เหินเต่าเปื่อยปูฟางสลายจนกระทั่งมัน คลี่คลายในร่างกายตัวเราเองเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นทุกแง่ทุกมุมเป็นประ้งมันสิ้นความหลงจิดมั่นถือมั่นในในตัวเราเองและคนอื่นค่ะนะตอนนี้ความความเครียดเหมือนเริ่มคลายลงแล้วค่ะพะอเข้าใจแล้วเพะว่าให้โฟกัสกับภาพที่เกิดขึ้นเพราะอย่างวันนี้ที่เดินตรงกลมนะคะก็จะเห็นเหมือนกับว่า คือเหมือนร่างกายเราประกอบไปด้วยแค่ท่าทั้งสี่เป็นดินน้ําลมไฟอ่ะคะ่ะแล้วก็คือกายนี้มีเพียงกระดูกแล้วก็มีแค่เหมือนกับผิวหนังที่ห่อหุ้มของเสียแล้วก็กระดูกเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีความหมายอะไระค่ะัจากที่เดินวันนี้ค่ะเดี๋ย ว, ยวหลังจากนี้จะไปเดินจงกรมแล้วก็จะลองโฟกัสภาพแล้วก็น้อมใจแบบที่โรตาได้สอนถ <ะ S 1> ูกต้องแล้วนะเพรมัน พอใจมันมันเห็นชัดโปร่งป่อยวางแล้วมันจะยิ่งน้องพีรณากามยมันจะเบาได้ไม่เครียดแหละกายมันจะเบาใจเบาเ ห, เหมือนห่อเหิเดิ icha, นอากาศได้ยิ่งโปร่งป่อยวางยิ่งเห็นชัดใจมันปร่งป่อยวางกายยิง่งเบาใจยิ北향北향่งเบายิ่งโปร่งป่อยวางกายยิ่งเบาใจยิ่งเบาอยู่มันเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเหมือนกับเดินไม่ติดเท้าไม่ติดพืน้นมันก็จะยิ่งอไม่อยากที่จะขาดจากการพิี่นาเพราะว่า ยิ่งพิจารณากายไม่ยิ่งเบาจะยิ่งเบายิ่งพิจารณาเห็นชัดกายยิ่งเบาใจยิ่งเบาใจยิ่งปล่อยวางกายยิ่งเบาใจยิ่งเบาเหมือนเดินไปเหมือนหาะเหินเดินอากาศเหมือนกายไม่ติดพื้นเดินไปเท้าไม่ติดพื้นเราก็ไม่ทิ้งการพิจารณาเลยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ไม่ไม่ไปจับความเบาความสบายเอาการพิจารณาซ้ํำๆๆๆจนกระทั้งใจมันปล่อยวางหมดใจมันปล่อยวางจากความหมกยึดบ้างถือมั่นในในร่างกายของตนเองและผู้อื่น ตอนนี้มันเบาจริงๆไะมันเดินไปเหมือนไม่มีตัวหรอกเหมือนตัวมันหายไปแล้วร่างกายในความรู้สึกไม่มีตัวเหมือนร่างกายเนี่ยมันหายหายตัวไปจากโลกนี้แล้วไม่มีตัวแต่เอามือไปจับมันก็ยังมีตัวแต่ในความรู้สึกมันไม่มีตัวเดินไปยังไงก็ไม่มีตัวเอ๊ะมันทําไมตัวมันหายไปต้องคอยเอามือมาจับตัวเองไว้ว่าตัวมันหายไปไหนเนี่ยแขนขาหัวไปไหนแต่คอยเอามือจับไว้มันก็มีตัวแต่พอเอาระมือออกมันก็ไม่มีตัวอยู่นั่นแหละมันก็งงๆไม่ไม่ ไม่ชินกับสภาวะอย่างเนี้ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เดินไปไหนไม่มีตัวหรอกและอีกอย่างหนึ่งเดินไปไหนไม่มีน้ําหนักมันน้ําหนักมันมีสภาพเป็นศูนย์แต่พอไปช่างกิโลมันก็เต็มแต่พอออกจากกิโลมามันก็เป็นศูนย์อีกเอ๊ะทําไมมันจะลอยอยู่เดียวเหมือนก็มันจะหอ่อหืดเรื่องอากาศไปได้เท้าไม่ติดพื้นแต่ว่าไช่างกิโลเอ้ามันก็น้ําหนักก็เท่าเดิมเอ๊ะแต่ทําไมมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีน้ําหนักแล้วก็ไม่มีตัวอยู่นั่นแหละเนี่ย มันมันเบาขนาดนั้นเลยมันเบาขนาดนั้นแถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีตัวทั้งไม่มีตัวไม่มีน้ําหนักมันก็มีแต่ความว่าง <im> เดินไปไหนก็ไม่มีตัวไม่มีน้ําหนักนั่นไงตอนนี้มันจะเห็นจิตเนี่ยคือความจิตที่ประดแต่งคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอากาศเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวไม่มีแล้วไงมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเกิดอยู่ในตัวเราแต่มันเกิดอยู่ในอากาศเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดอยู่ในอากาศเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนแสงยิงห้อยแสงห้อยรู้จักเนาะแสงห้อยที่มันมีแสงสว่างในตัวมันเองอ่ะแล้วก็มันก็สว่างวาบขึ้นมาทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในปัจจุบัน สว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปหรือเหมือนกับฟ้าแลบอ่ะเมื่อกี้เหมือนกับตอนเย็นๆฝนจะตกเนี่ยเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บแป๊แล้วก็หายไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บหายไปฟ้าแลบขึ้นมาในอากาศแล้วก็หายไปไม่รู้สึกว่ามันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดดับอยู่ในตัวเราแต่มันเหมือนกับฟ้าแลบในอากาศ แล้วก็ดับสายไปดับสายไปอย่างเงี้ยหรือบางท่านเนี่ยมีพาาาระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเห็นในความรู้สึกในคิดอารมณ์อาการของจิตท่านเหมือนกับว่าตอมน้ําคืออท่านสงสัยจะไปกราบเรียนถามพุทธเจ้าที่เดินไปที่กุฏิของพุทธเจ้าฝนมันตกอยู่ก็เลยไปไปหลบฝนอยู่ใต้กุฏิพุทธเจ้ารอว่าฝนหยุดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบทูลถามพุทธเจ้า ระหว่างที่รอรอว่าให้ฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปกราบทูลุทไปกราบเรียนถามพระพุทธเจ้านั่นน่ะน้ําฝนมันก็ไหลจากไอชายคาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพี่ที่มุงมุงแฝกนั่นรู้สึกจะมุงแฝกไหลมาแล้วก็มันก็มากระทบกับอน้นําฝนที่พื้นข้างล่างที่นองอยู่อ่ะพอน้ําฝนมันหยดลงมากระทบพื้นเนี่ยมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นตอมน้ำเป็นฟองน้ําเงี้ยเดียวกับตอมน้ํามันฟองน้ํา โผขึ้นมาแล้วก็แตกโพเป็นตอมน้ําขึ้นมาแตกโพเดี๋ยวมันไหลลงมาก็ไหลลงมามากขึ้นฝนตกแรงแรงมากขึ้นก็โอ้ตอนนี้ก็ตอมน้ําแตกกันใหญ่เลยไปกระทบกับพื้นน้ํารากก็แตกโพแตกโะแตกโะแตกโพไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านยืนมองจิตใจของท่านกับต่อมน้ําตกตะลึงไปเลยอ่ะ ท่านเอาจิตใจของท่านที่มันมี ค, มความรู้สึกมาคิดอารมณ์เปรียบกับต่ำน้ําเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง, งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในใจเหมือนกันเลยเป็นธรรมชาติแต่เดียวกันท่านเห็นอยู่อย่างเนี้ย แล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเลยให้ยึดมั่นถึงมันได้แล้แรกเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกความรู้สึกนึกิจอารมณ์ทุกความรู้สึกนึกิจอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นแล้วก็เปรียบเทียบกับต่อมน้ําที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมันเหมือนกันเลยแล้วตกตะลึงเลยว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาได้เห็นตอนแรกและใจมันก็เห็นต่ออีกว่าสิ่งทั้งหมดนั้นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้พอสิ้นสายฝนแค่นั้นแหละท่านกวบลุอาลันบรรลุพรนิพพานฝนหยุดแล้วท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะสิ้นสงสัยแล้ว นั่นแหละให้พิจารณาให้มากๆเข้าเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้นะชัดเจนในสังขารร่างกายตนเองแล้วเนี่ยพอเราพิจารณาสังขารร่างกายตนเองจนกระทั่งบรรณาเปิดผูพังสลายไปหมดจนกระทั่งสิ้นความหลงยึดบ้างถึงมั่นว่าเป็นมีตัวมีตนจนกายมันเบาสบายว่างไปหมดไม่มีไม่มีน้ำหนักไม่มีไม่มีร่างกายเลยเหมือนไม่มีร่างกาย ไอ้ไอ้ร่างกายเราจะเป็นรูปกระดานเนี่ยมันก็จะไม่บางทามติดต่อไปเพราะว่าบันเห็นจิตเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าเหมือนกับที่พระอรหานท่านที่เห็นว่าเออกิริยาการของจิตของท่านเนี่ยไปเปรียบเทียบกับต่อมน้ําที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้แล้วก็ดับไปมันก็เลยไปเป็นแบบเดียวกับที่พระเจ้าเทถ ธ, ธ ร, รรมจักกับพระนสูตรให้อัญญโกนปัญจวัคคีทั้งห้าฟังตอนตรัสรูแล้วเนี่ยอัญญโกนทัญญาฟังธรรมธรรมจักกับพระนสูตร จบแค่นั้นแหละเห็นขึ้นมาในใจเลยว่ายังกินจิสมุติยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาผู้เจ้าเทศอนัตตลัคณะสูตรพอจะลายจากนั้น อันจะโกนสัญญาและปัญจวัคคีทั้งหก็เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นและย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายจิตใจของเราเนี่เองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาและเห็นต่ออีกว่าไม่อาจยึดมันถือมันได้ จึงปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในขณะที่ทพที่ยวเทพจบกันอาตรนาตูตรนั้ น, น, น, น, นก็บรรลุอรหันต์กันหมดทางนี้เป็นทางของบุทธเจ้าและพระหานสราวกงทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เดินมาเราอย่าเลี่ยงอย่าเลี่ยงต้องผ่านให้ได้แต่เรากลัวเราก็พิจารณาให้มันผุพังสลายให้เร็ว ผู้ฟังสลายให้มันเลยไปหู้ฟังสลายให้เร็วพอผู้ฟังสลายเร็ว แ, แล้วต่อไปเรากลับมาน้อมใหม่มันก็จะเลิกกลัวเราน้อมไปตอแรกมันจะอิจฉาเอียนขึ้นไสแล้วก็เพี่นน้ํามันสายไปผูป้ฟังให้เร็วแล้วก็กลับมาน้อมใหม่มันก็จะหายกลัวมันก็จะลดอาการอิจฉาเอียนอาการกลัวมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลง อนุโมทนาค่ะท่านหนูงตาตอนแรกหนูไม่เข้าใจว่าต้องพิจารณาอยู่เนืองเหมือนปฏิบัติทุดโทอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกหนูปฏิบัติผิดไปก็คือเหมือนกับพิจารณาแค่สองครั้งสามครั <thé ang> <au> <S <S nah, ้งอย่างเนี้ยค่ะไม่ได้พิจารณาต่อเนื่องแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปน้อมนําไปปฏิบัติค่ะสาธุสาธุพูดไดจะอธิบายให้ชัดเจนขึ้นอีกมีไหมโยะใครยกมือเมื่อกี้เนี้ย แบบแบบฮึยกมือกรหัวเหร อ, อ, อ, อตาครับผมปฏิบัตินะครับก็พิจารณาดูจิตนี่ครับอย่างที่หลวงตาบอกว่าให้เห็นทุกคิดเหมือนลักษณะที่ว่าเห็นเหมือนน้ำไหลผ่านไปทีแล้วก็ไม่ยึดติดกับมันนี่ครับ ผมก็พิจารณาดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เห็นว่าเออมันก็ไม่เที่ยงจริงๆแต่ครงเนี้ยไอตัวเราที่ไปดูเนี่ยผมไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จเราก็มานั่งคิดพิจารณาดูว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเราก็ยังอย่างที่ว่าเราเห็นว่ามีความคิดมามีความรู้สึกมามีเวทนามาสุดท้ายแล้วมันก็ดับไปดับไปแต่ไอตัวเราที่เราไปดูเนี่ยมันก็ยังภูมิใจว่าเราเห็นแล้วนะ อ๋อไอ้น้ำดำอันนี้ดับอันนั้นเกิดแล้วดำอันนี้เกิดแล้วดำอย่างเงี้ครับแต่สุดท้ายแล้วไอ้ตัวเราที่เราไปเห็นเนี่ยเราก็คือมันก็ยังภูมิใจอยู่นะล่ะมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นก็สุดท้ายแล้วมันก็หาไม่เจอผมก็เลยพอพอมาคิดพิจารณาตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นไอ้ผู้รู้พอไม่ได้ยึดมั่นไอ้ผู้รู้มันก็จะรู้สึกเบาึุดรูปนี่ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองแต่พอเราไม่ยึดมั่นไอ้ผู้รู้ ไปไปมามาเราก็เลยไม่รู้มันซะเลยเงี้ยครับมันก็เลยห ล, ลงไปเลยครับเนี้ยมันก็นานๆมันก็จะไปรู้อีกทีมันก็คือตอนที่ว่าเราไม่มีสติหลงไปกับอารมณ์แล้วเงี้ยครับอ่าครั้นี้ผมก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะรู้ว่าเราต้องไปพิจารณากายผมก็เอาใหม่เดินจงกลมวันนี้ก็เดินจงกลมแล้วก็พิจารณาความเป็นธาตุทั้งสี่ว่าเอออในร่างกายเราก็มีน้ํานะมีน้ําลายมีธาตุดินมีธาตุลมที่เราหายใจเข้าไปอะไรเงี้ยครับ เสร็จแล้วพอพิจารณามากๆมันก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีความคิดผุดขึ้นมานุ่นนั่นนี่ซึ่งไอความคิดเนี่ยมันก็คิดขึ้นมาอยู่บนฐานของท่าทั้งสี่ก็คือคิดจิตมันก็อยู่บนฐานของกายเสร็จแล้วพอมันเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็อ้อไอที่เราคิดนุ่นอยากได้นุ่นอยากได้นี่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่บนพื้นฐานของกายซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ท่าทั้งสี่ แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออผ่อนคลายจากความยึดมั่นลงไปว่าเออไอความโลคความโกรธความลงเนี่ยมันก็ผ่อนคลายลงไปคราวนี้ผมก็เลยอยากถามดองตาว่าอย่างเงี้ยผมไอทางแรกที่ผมพิจารณาจิตกับทางที่สองที่ผมพิจารณากายเนี่ยอย่างไหนมันจะเหมาะกว่ากันหรือว่าเออผมทําผิดตรงไหนอะไรยังไงครับดวงตาถึงพิจนารณาจิตเนี่ยมันก็ต้องปล่อยวางกายเหมือนกันเนี่ย เพราะว่าผู้ปีนาจิตมันก็เห็นว่ากายเนี่ยที่สุดก็ต้องตายหน้าเปลือยผูพังสลายไปคือใจมันไม่ไม่หลงยึดมั่นหรือมั่นในไอ้ร่างกายตัวนี้ว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือใจมันยอมรับไปแล้วว่ากายเนี่ยที่สุดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผูพังสลายไปใจมันยอมรับแต่มันยอมรับมันไม่เห็นชัดเจนเหมือนกับพวกที่ ที่พิจารณาจริงๆพิจารณาร่างกายนะฝืนผูกฝังซ้ำๆๆมันจะปล่อยวางต่อหน้าต่อตาเลยแต่พวกที่มีปัญญาเป็นพวกปัญญาขั้นขั้นปัญญาเนี่ยมันก็ใจมันยอมรับไปเลยว่าอันเนี้ยร่างกายเนี่ยที่สุดมันก็ต้องก็ผูกฝังสลายไปไม่มีเหลืออะไรหรอกแล้วก็ มันก็มาปล่อยวางไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็ผู้ที่มารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นจริงคือมันรู้อยู่ว่าเนี่ยทุกขณะปัจจุบันรู้ว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่ว่าในขณะนั้นอาจจะมีผู้ผู้มาดูผู้มาเพ่งผู้มาจ้องผู้เจตนาเนี่ยมันเจตนาจะมาดูจิตเจตนาจะมารู้จิตมันก็มีกิยาการของจิตทุกคิดทุกอาการที่ถูกรู้ในปัจจุบัน แล้วมันมีเจตนาจงใจพยายามที่จะให้มีผู้รู้มารูมาลูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้ทุกคิดรู้ทุกอารมณ์แต่ในขณะที่รู้ทุกคิดรู้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเนี่ยรวมต้องมีผู้พูดมารู้เนี่ยแต่ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ทั้งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันและทั้งผู้มารู้เนี่ยไม่มีใครมายึดถือมั่นถือมั่นต้องสิ่งที่ถูกรู้และไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นผู้พูดรู้ รู้กันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันแต่ไม่มีใครมายึดถือทั้งสิ่งนี้ถูกรู้และผูรู้ในปัจจุบันที่สั่งมื่อสักครู่ที่หลวงตาบอกว่าเ อ, อมหาสติก็คือทําไม่เลิกไอ้ตรงเนี้ยก็ยังไม่ค่อยกระจายเท่าไอ้ทำไม่เลิกเนะี่ยคือมันทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไปไปหลงปรุงแต่งแล้วไม่รู้ตัวคือมันไม่ได้ปล่อยวางมันหลงเอาตัวเองเนี่ยไปปรุงแต่งไปดิ้นลนไปค้นหา คือหมายถึงว่าพออยู่ในโลกก็ทํางานทั้งโลกไม่หยุดพอมาอยู่วัดนี่ภายในก็ยุ่งวุ่นวายดิ้นรนค้นหาพยายามวุ่นวายดิ้นรนค้นหาสงสัยอยากถึงอยากได้อยากเป็นยุ่งวุ่นวายจะเรื่องจิตจิติจิตนิพพานๆๆนิพพานจิตจิตจิตจอย่างเงี้ยคือการทำงานงานงานงา น, งานทางจิตงานๆๆทางวุ่นวายภายในดิ้นรนค้นหาพยายามอยากให้รู้อยากให้เห็นอยากให้ได้อยากจะเป็นเพื่อจะเอางานเพื่อจะเอาผลสาเร็จของงานคือนิพพาน ส่วนทั้งโลกก็คืออยู่ทั้งโลกกลับไปทํางานทั้งโลกอ่ะกูจะเอากูจะเอากูจะเอ า, เ, อาเร่งทํางานทั้งโลกเพื่ออะไรผลลัพธ์เลยคือเงินกับตําแหน่งลาภยศพอเนี่ยหยุดหลายวันกันก็เลยมาปฏิบททัติธรรมพอปฏิบัติธรรมอ้าวตอนนี้ละจากงานทั้งโลกมาพอมาถึงกระโดดขึ้นรถมาแค่นั้นแหละกูจะเอากูจะเอาไม่เอาทั้งโลกกูจะเอาดิพานกูจะเอาธรรม มาแล้วก็ทํากันหน้านี้คือแค่ half, chips, oh, หมวดโอ้โหหมกป oh. er okay. ุ้นหมกปุ้นวุ่นวายโอ้ยู่โลกก็ทําไม่หยุดพอมาอยู่มาอยู่วัดโอ้ยกูก็จะเอาอีกจะเอาทำจะเอานิพานยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งอย่านั้นแหละหน้าเนี้ยคือแค่หมวดดาปึ้ดเลยอยู่โลกก็ดําปึ้ดเลยเรื่องโลกพอมาอยู่ทำดำปื๊ดหนักขึ้นอีกคือโลกก็ไม่ทิ้งออกมาถึงวัดเอ้ากูจะเอากูจะเอา จะเอาทําหนักกันไปเลยเอามาสองมือเลยตอนนี้เอาสองฝั่งเลยโลกก็ไม่ทิ้งมันถึงนี่ก่อนนิพพานก็จะเอามันก็เลยสองฝั่งเลยนั่นแหละนั้นมันก็เห็นไงแล้วเราก็รู้เต่าทันไอ้ตัวรู้เต่าทันว่าเราหลงไปหมกมุ่นมากเลยหลงไปหมกมุ่นเราก็วางไปหลงไปหมกมุ่นแล้วเราก็วางไปวางไปวางไปจนกระทั่งสิ้นหลงไปหมกมุ่นเหลือแต่รู้แต่รู้แล้วสุดท้ายเหลือแต่รู้ก็มาวางให้ผู้รู้อีกด้วยแม้เจ้ผู้รู้ก็รู้ว่าเนี่ย มันรู้อยู่ว่าเนี่ยหมกมุ่นในหมกมุ่นแล้วมันเข้าไปหมกมุ่นมันก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันหมกมุ่นเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นเมื่อเลยตอนล้างมันไม่หลงไปหมกมุ่นอะไรแล้วพอมันไม่หลงไม่หลงไปหมกมุ่นอะไรแล้วมันก็รู้ตัวอยู Man, ่ในปัจจุบ nice ันรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันแต่แม้แต่มันไม่หลงไปหมกมุ่นมันรู้สึกตัวในปัจจุบันมันก็เลยรู้ทุกคิดรู้ทุกอาการในปัจจุบันนั่นแหละแต่มันไม่หลงไปคิดเองไม่หลงไปคิดหมกมุ่นเหมือนตอนแรกแล้วแต่เมื่ แต่ถ้าตอนที่เราเนี่ยหลงไปหมกมุ่นคุณคิดเนี่ยมันไม่มีผู้รู้หรอกมันจะเอาจะเอาอย่างเดียวอันนั้นจะดาพึ้นเลยหมดเลยเนี่ยทางกายและใจแต่พอมันไม่มันไม่มันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่หลงไปหมกมุ่นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นผู้รู้มาเป็นผู้รู้รู้อะไรก็รู้ขันห้านี่แหละรู้อ้เวทนาสัญญาสังขารนี่แหละรู้ความรู้สึกเมื่คิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันก็มารู้ทุกคิดทุกอาการ แต่ไอ้ไที่มารู้เนี่ยทุกคิดทุกการในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นตั้งไอ้สิ่งที่ถูกรู้ตั้งไอ้ผู้รู้เนี่ยก็เป็นสังขารทั้งหมดมันต้องมีเจ ต, ตนาไงมีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจคือต้องมีความตั้งใจที่จะรู้ที่ใจคือไม่ให้มันหลงไปรู้รู้คนนั้นรู้คนนีน้รู้เรื่องของคนนั้นรู้เรื่องของคนนี้อย่างเนี้ยมันไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาดูใจตนเองมาดูจิตใจตนเองมาเลยไปรู้อย่างอื่นหมด มันไม่รู้จิตใจของตัวเองมันไม่ค้นทุกข์ก็เลยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจลาที่ใจก็คือมันตั drilling, ้งใจจะรู án, ant, bons, ้รู้ทุกคิดรู้ทุกอาการมันเลยรู้ได้ทุกคิดทุกอาการเพราะมันตั้งใจจะรู้ความตั้งใจที่จะรู้เนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งเพราะฉั้นเมื่อเราตั้งใจจะรู้ทุกคิดทุกอาการมันก็เลยสามารถรู้ได้ทุกคิดทุกอาการในปัจจุบันอนั้นไอ้ทุกคิดทุกอาการในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งคือตรงเนี้ยําับที่หลวงตาบอกว่า พอตั้งใจจะรู้ไอ้ทุกคิดทุก อ, อาการเนี่ยผมก็เจอตรงเนี้ยว่าเราตั้งใจที่จะรู้เราก็เลยรู้แล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ตั้งใจที่จะรู้เนี่ยแหละเราไปยึดไอ้ตัวเนี่ยผมก็เลยตั้งใจที่จะไม่รู้มันแล้ก็ปล่อยมันเ อ, อไอ้ยางงี้ไม่รู้เลยหลงเลยกันไงก็เลยห ล, ลงเลยพอทิ้งรู้หลงเลยครับครนี้เราตั้ง<พ>ใจจะรู้เนี่ยแต่ไม่ยึดไม่ยึดไอ้ความรู้สึกเมื่คิดอารมณ์ในปัจจุบันที่ถูกรู้กับไม่ยึดไอ้พูดที่ไปรู้เพราะเรารู้ว่าไอ้พูดที่ไปรู้เนี่ยคือเราตั้งใจจะไปปปปรู้้มมมมัััันนนนนนกกก็็็็เเเเเลลยยควาตตงงงงใจสิุ่่แหือ คือพอพอพอเจอตรงเนี้ยโจทย์ตรงนี้มันโจดใหญ่หมายความว่าพอเราตั้งใจที่จะรู้คิดเราก็รู้แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่แต่เรายึดไอตัวที่เราไปตั้งใจจะรู้พอเราคิดว่าอตอนนี้เรายึดอยู่เราก็พยายามจะไม่ยึดยิ่งพยายามจะไม่ยึดมันอึดอัดเลยวันนี้ยมันอึดอัดมันแน่นมันก็เลยเราก็เลยปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็เลยจะมักจะ เสียบางทีก็เผลอสติไปเลยใช่พอเราเราปล่อยไม่รู้มันก็เลยหลงไปเลยไม่รู้อะไรเลยใช่ครับใช่แต่ความจริงเนี่ยก็คือว่าเห็นว่าไอ้นี่ยทุกความรู้สึกทุกคิดอารมณ์ที่เราถูกรู้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยกับไอ้ความตั้งใจที่จะไปรู้เนี่ยมันเป็นสังขารที่เราปรุงขึ้นมาเองคือเราปรุงตั้งใจที่จะรู้เพราะว่าเพื่อไม่แห่ไปรู้อย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นมันไปคนทุกข์อ่ะเลยก็ต้องเนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจเลยเรู้ทุกคิดเลยตอนเนี้ยรู้ได้ทุกคิดตัวอาการเหมือนกับหลวง เราเราเรายกตัวอย่างอ่ะก็เลยรู้ทุกคิดถ้าสา ม, มารถรู้ได้ทุกคิดแต่ท่านเนี่ยก็ไม่พ้นทุกเพราะว่าท่ารู้ทุกคิดแต่ท่านก็ตั้งรู้เองนั่นแหละแต่ท่านเนี่ยปล่อยวางแต่ความคิดแต่ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้อนท่านเราเนี่ยรู้แล้วเราก็ไอ้ผู้รู้เราก็ไม่ยึดด้วยไม่ยึดแต่ก็รู้ได้ทุกคิดอย่างนี้เนี่ยอาการอนะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันน่ยก็รู้กัน อ, อยู่เหมือนกันแน่ แต่ไม่มีผู้มายึดทั้งนั้นไอสิอาการที่ถูกรู้ทุกคิดทุกอาการแล้วก็ไม่ยึดผู้รู้ว่าเนี่ยไอตัวตั้งรู้เนี่ยที่มันตั้งรู้อยู่เนี่ยก็ไม่มีใครมายึดเพราะมันก็เป็นสังขารที่เรามาตั้งเอาไว้เราเป็นคนสร้างเองนี่เราเป็นคนปรุงแต่งเองนี่เราก็เลยไม่ไปยึดสิ่งที่เราปรุงแต่งก็คือไอผู้รู้นี่เนี่ยไอผู้เพ่งผู้จ้องผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยไอตัวเนี้ยเราเห็นมันสังขารจนแล้วใจมันก็เลยไม่เอา ไม่เอาไว้เนี่ยไม่เอาไว้ผู้ดูผู้รู้ไม่เอาแต่ก็ต้องให้มันยังอยู่ใช่ไหมครับเอาอยู่ซิมก็ต้องให้อยู่ซิมไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็ไม่รู้อะไรไม่รู้คนอื่ น, นก็หลงแล้วกันเนี้ยเราคุมซ่าแล้วลไปหลงคนอื่นไปมองคนอื่นไปดูคนอื่นหมดอย่างที่ท่านปฏิบัติเนี่ยหลายคนปฏิบัติผิดเข้าใจอย่างนี้นะไปอ่านของหลวงปู่ดูนนตโุโลที่บอกว่าพบผู้รู้อะไรนะพบพบพบอาการของจิตใช่ไหม พบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้เนี่ยเช็คทำนนงเนี่ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้หรือหรือพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้เนี่ยแล้วเขาอะไรทิ้งรู้มปหมดเลยเพราะอะไรก็บอกว่าเออก็เลยก็บอกว่าพบผู้รู้มันมีผู้รู้อยู่ก็ฆ่าฆ่าผู้รู้ก็เลยทิ้งรู้ไว้หมดเลยตอนนี้เราไม่รู้อะไรหลงตายไม่ใช่คือมันรู้แต่ไม่มีผู้มายึดผู้รู้นั้น มันเป็นธรรมชาติของของประตูใจอ่ะเมื่อเราประตูใจเมื่อเราตั้งใจมารู้ที่ประตูใจวิญญาณขัเนี่ยมันก็ต้องมารู้ประตูใจมันก็ต้องตาก็ยังเห็นอยู่หูก็ยังได้ยินอยู่เพราะว่ามันไม่ตายเนี่ยหกประตูเนี่ยการรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ท้งใจเนี่ย ป, ประตูตั้งหกมันต้องรู้อยู่ยังไม่ตายต้องรู้อยู่แต่ไม่มีใครมายึดนั้น อาการตั้งใจมันก็เลยรู้อยู่ตลอดตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินแต่ไม่มีใครยึดทางตาไม่มีใครยึดท้งหูแล้วก็ไม่มีใครยึดสิ่งที่ถูกรู้ตั้งใจเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าก็ยังยังทําไม่ได้ครับือมันก็ยังถ้าตรงว่าไปตั้งผู้รู้ขึ้นใหม่มันก็ยังยึดอยู่ก็ต้องพยายามต่อทดลองก็ได้ ท่านวางผู้รู้ให้หมดแต่อย่าหลงได้ไหมล่ะมันหลงครับก็ถ้าวางผู้รู้ให้หมดแล้วลองลองไม่หลงสิวางเนี่ยที่เต้นบอกว่าตั้งรู้เนี่ยท่านวางกันเพราะว่าท่านเป็นคนตั้งเองนี่ท่านก็วางได้เพราะว่าเราเป็นคนตั้งใจจะรู้เนี่ยเราก็เลยตั้งวางวางไปคือไม่ไม่ตั้งใจที่จะรู้ไม่ตั้งใจที่จะรู้แหละหรือไม่ต้องตั้งใจที่จะรู้ทุกคิดทุกอาการใช่ไหมไม่ต้องตั้งใจและ แต่ไม่ต้องจะไม่ตั้งใจที่จะรู้ทุกคิดทุกการแต่อย่าหลงนะท่านทําได้ไหมล่ะเดี๋ยวท่านจะพบความจริงเลยนะครัเดี๋ยวจะไปล อ, ลองดูดูเลยท่านไม่ต้องตั้งใจจะรู้ทุกคิดทุกอาการท่านบอกว่ามันมันมันมันรู้สึกเป็นพลานแล้วมันแน่นจุกอย่าใช่ไหมท่านวางตรง น, นี้ไปเลยวันที่ท่านบอกว่าวางอะ่ะวางวางไม่ไม่ต้องตั้งใจจะรู้ทุกคิดทุกอาการแล้วแต่อย่าหลงเพื่อเพลจะเลิศใจไปคิดฟุ้งซ่านไปนะทั้งไม่คิดฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งไป ทั้งไม่ตั้งใจจะรู้จิตและดูที่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องประจักษ์ด้วยตัวของตนเองถ้าไม่หล ง, งไม่หลงสิ่งใดออกไปภายนอกโอ้ไม่หลงปุงแต่ปุงสราบไปกเกาะเกี่ยวผัวานสิ่งใดภายนอกแล้วไม่หลงเข้าไปเพ่งจิตไปดูจิตยุ่งวุ่นวายกับอาการของจิตแล้วท่านก็จะรู้เองว่ามันจะมันจะเป็นยังไง วิ่นหลงออกไปข้างนอกวิ้นหลงเข้าไปข้างในแต่ถ้ามันน่ะส่งจิตออกไปหาใครคนนู้นคนนี้เขาก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ถ้าท่านเนี่ยส่งจิตเข้าไปข้างในไปยุบวุ่นวายแต่อาการข้างในไปเพ่งไปเจ้าข้างในไปยุบวุ่นวายแต่อาการข้างใน <injustice> เขาก็เรียกว่าส่งออกนอกเหมือนกันส่งออกนอกปัจจุบันแต่เราในเมื่อก่กอนเราเรียกเข้าข้างใน ไอ้ท ok, <Okay? Sure. S 2> ี่ส่งข <Yeah. S 2> ้างนอกก็คือต่งไปข้างนอกแต่ไอ้ไอ้เข้ายุ่งวุ่นวายกับจิตเนี่ยเข้าไปเพ่งไปจ้องไปยุ่งวุ่นวายกับจิตอย่างนั้นเป็นงั้นจิตเป็นอย่างนี้อยางนั้เป็นงั้นจิตเป็นงั้นอยางนั้เป็นเงี้ยเราเรียกว่าส่งเข้าในเข้าไปยุ่งวุ่นวายข้างในไอ้ที่มันยุ่งวุ่นวายข้างนอกยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนเนี้ยไปเกาะเกี่ยวผัวพันธ์เนี่ยเราเรียกว่าส่งออกไปข้างนอกแต่พอแม่ครอวจะท่านเรียกเหมือนกันเรียกว่าส่งจิตออกนอกจากความรู้สึกตัวในปัจจุบัน เช่นว่าท่านกำลังฟังเราพูดอยู่เนี่ยฟังหลวงตาพูดอยู่ท่านไม่ฟังหรอกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราโต้อตอบกันอยู่เราโต้อตอบธรรมะกันอยู่แต่ท่านเนี่ยแอบเข้าไปยุ่งอยู่ข้างในไปเพ่งไปเพ่งไปยุงป่งกับพยายามจะรู้ทุกคิดทุกอาการไปพยายามจะรู้ทุกคิดทุกอาการไปเพ่งอยู่ข้างในท่านไม่ได้ฟังจริงๆอ้แต่เนี้ยแต่ท่านนอะ กลับไปเพ่งไปจ้องให้รู้ทุกทิ่ทุวอาการอย่างไหนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกมันเป็นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทำให้ท่านแน่จนจุกได้ท่านจึงต้องละละนี่ล ะ, ล ะ, ละอาการที่มันเข้าไปเพ่งตั้งใจจะไปเพ่งไปดูจิตไปรู้จิตแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะคือปัจจุบันขณะนั้นเน่ะท่านทำอะไรอยู่ ปัจจุบันขณนะนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะท่านต้องมาอยู่ผูกกับการพูดคุยธรรมะเรียกว่าปัจจุบันขณะคือปัจจุบันขณะเนี้ยท่านกับหลวงตาเนี่ยกำลังคุยธรรมะกันอยู่ใจของท่านก็ต้องมาอยู่กับการคุยธรรมะคือมาตั้งใจฟังธรรมะแต่ถ้าไม่ตั้งใจธรรมะท่านตั้งใจไปดูจิตอันนี้เป็นคนละเรื่องกันแล้ท่านมันหลุดจากปัจจุบันไอ้ที่ท่านหลุดจากอดวันเนี่ยแล้วเข้าไปดูจิต ท่านไปตั้งใจดูจิตตอนที่ท่านจะต้องต้อ ง, งตั้งใจว่ามามาคุยกันว่าพูดว่าอะไรกันเนี่ยท่านกับหลงตามกาลังพูดอะไรกันอยู่ท่านจะต้องมาตั้งใจฟังให้เข้าใจแต่ท่านกลับไปตั้งใจดูจิตไปดูความคิดดูอาการอย่างเนี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรส่งจิตออกนอกเมื่อก่อนเนี้ยเราเข้าใจเรื่องผิดส่งจิตออกนอกน่ะผิดเราเข้าใจว่าส่งออกไปข้างนอกแต่โดนท่านประวาด ว่าการที่ทําอย่างเนี้ยมันหลุดออกจากข้างนอกคือคุยกับท่านอยู่แล้วเข้าไปเข้าไปดูจิตเข้าไปตั้งใจดูจิตไอ้อย่างเนี้ยมันส่งจิตออกนอกเข้าไปดูจิตไปยุ่งวายกับจิตเนี่ยมันส่งจิตออกนอก เ, ออเราเลยอ๋อเราเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราพาเพื่อนเราเนี่ยมามาคุยกับหลวงปู่ทาจารุตโมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เนี่ยที่ท่านเป็นพระอรหันต์ที่ท่านบรรณาพัาไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่อายุเก้าสิบแปดปี เราพาเพื่อนเข้ามาปุ๊บแล้วปู่ช่างก็เมตตาเพื่อนเรานะเพราะว่าเราพามานี่แล้วก็คุยมาจากไหนล่ะมาจากไหนทํางานที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดเชิญคุยตามปกติเนี่ยก็คุยนู่นคุยเนี่เนี่ยแต่เพื่อนเราก็คุยกับท่านแต่เวลาคุยเนี่ยไม่ได้สนใจจริงๆหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนเราก็เอาเละขอโอกาสครัหลวงปู่ระหว่างที่คุยกับหลวงปู่ไม่ทราบเป็นไร ใจมันใสมากเลยหลวงปู่เลยดูว่าอย่าส่งจิตออกนอกเห็นไหมเพื่อเราก็ไม่เข้าใจคงเข้าใจเหมือนเราอะคือส่งจิตออกข้างนอกคือมันไม่เห็นฟุงซ่านไปไหนเลยตอนนี้จะรายงานว่าตอนระหว่างคุยกับหลวงปู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรใจมันใสมากหลวงปู่ดูเลยอย่าส่งจิตออกนอก เพืเาก็ไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเหมือนเราเหมือนกันนึกว่าก็าไม่เห็นส่งออกไปข้างนอกไหนทําไมหลวงปู่ดูว่าส่งจิตออกนอกเดี๋ยวอีกหลวงปู่ก็คุยต่อเลยชวนคุยว่าเป็นไงล่ะแล้วอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นยังไงม้างก็ชวนคุยต่อเดียวอีกแะ้วขอโอกาสครับหลวงปู่ไม่รู้เป็นอะไรยิ่งคุยกับหลวงปู่เนี่ยใจข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นเพชรเลย แล้วปู่ดุอีกเลยอย่าส่งจิตออกนอกนีรั้งที่สองตอนหน้าเราเลยเราเราเข้าใจตรงนี้กับตอนหน้าเราเลยตรงเนี้ยอ่าเขาก็ยังไม่เข้าใจก็ปู่อ่ะชวนคุยต่อคุยนี่คุยนีย่คุยในยคุยนีย้ครั้งที่สามขอโอกาสครับหลวงปู่ยิ่งคุยกับหลวงปู่เนี้ยไม่รู้เป็นอะไรใจเหมือนกับมันเป็นเพชรที่เจริญใน อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมันใกล้ใกล้จะเสร็จโอ้โหหลวงปู่ตาวานเลยตอ น, นี้บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยคนเข้าเข้าใจว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยคื อ, อที่ภาษาที่บอกว่าจิตส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลใ น, นจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ คือความพ้นจากทุกข์แอบก็รู้กันอย่างเงี้ยมากันเยอะแยะของหลวงปู่ดูลนัตตโรเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใหม่แต่ก่อนเนี่ยเราก็เหมือนกันมันยังเพื่อเราเราก็จะส่งออกไปข้างนอกแต่ไม่คนระัคือมันหลุดออกจากปัจจุบันขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทําอะไรอยู่เรากําลังพูดอะไรกันอยู่เนี่ยมันหลุดจากปัจจุบันขณะเนี่ยดูสิกําลังคุยกับหลวงปู่จะแท้ไปรายงานเรื่องจิต โดนท่านดุซะดังนั้นเนี่ยท่านต้องอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทิ้งที่จะบอกว่าทิ้งอาการเพ่งอาการจ้องเพื่อให้รู้ทุกที่ทุกอาการไปแล้วมาอยู่กับปัจจุบันขณะทิ้งบอกว่าท่านบอกว่าทิ้งเนี่ยแต่ท่านไปหายเจอว่าท่านทิ้งไปแล้วเนี่ยท่านส่งจิตออกนอกไหมเพราะว่าท่านไม่ส่งจิตท่านหยุดยุทธการส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างใน เปลี่ยนเปลี่ยนหม่ยป็นส่งจิ ต, ตออกนอกเข้าข้างไหนก็ได้อออกจากข้างนอกคือกําลังที่อยู่กับปัจจุบนับนขณะปัจจุบันขณะอะไรท่านไปเดินจงกรมนั่นคือปัจจุบันขณะแต่ท่านเดินจงกรมแต่ท่านเพ่งเข้าไปดูอาการของจิตขา้างไหนอย่างมีเลือกส่งจิตออกนอกพ่นหลุดจากปัจจุบันขณนะแต่พอท่านไม่ส่งจิตออกนอกเข้ามาเพ่งอาการให้รู้ทุกคิดทุกอาการขา้างในแต่ท่านกลับไฟฟุ้งสั้น จริงๆอันนี้ก็คือตรงจิตออกนอกจากปัจจุบันขณะนั้นจึงธรรมะเนี่ยจึงอยู่ที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเนี่ยหลุดจากปัจจุบันขณะไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยพราแม่ครูบาอาจารย์ดุเราตวาดเรามากเลยอตอนนั้ น, น่ะเราหลงพลาดไปเราปฏิบัติอยูบ่บนเขาเนี่ยเราพอดี โอ้มันเกรริดสภาวะทำมาหูมันชัดเจนมากเลยอัศจรรย์โอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้เรารีบลงจากเขาไปเลยโอ้ลงไปที่กุฏิหลวงปู่ทาจากแค่บนเขานี่เราไปอย่างเร็วเลยไปถึงกุฏิท่านเพื่อจะไปเล่าท่านฟังยังไม่ทันจะขึ้นบันไดเลยท่านเอายกมือต่างห้ามญาติดีเลยยกมือยกมือเนี่ยกันห้ามเลยคไม่ให้ขึ้นบนกุิเลยแล้วตระวาตเราว่า อดีตไม่เห็นนน่ะปล่อยวางเสงห้หมดมันเป็นทำเมาไม่ใช่เหรออเราไม่ท่านจะพูดอะไรท่านฟังต้องไ่ตะคำเดียวพอจะขึ้นท่านนั่ะท่านว่าอาดีตเป็นไปทำเมาไม่ใช่เหรอเนะี่ยเราก็เลยไม่ทันได้พูดกับท่านเลยครับครับเฮ้ครับครั บ, ร บ, รบแล้วก็ค่อยๆถอยถอยถอ ย, ถอยล้างออกไปมันกวาดมือเ ร, เรามานี่ ตอนี้ทันตุเรล่หลงอดีตหลงได้ยังไงเนอะหลงปัจจุบันยังไงธรรมะมีแต่ปัจจุบันขนาดหลุดปจากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาหลุดออก จ, จากปัจจุบันเนี่ยมันเป็นธรรมเมาหมดธรรมะมีแต่ปัจจุบันขนาดในปัจจุบันขนาดหลุดจากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยจำไว้นะอะไรบ้คาครับนัขา ทานไม่ได้กลับนะต้องค่อยคานไตหลังครับครับทานลังออกมามานี่อีกโอ้โหเราครับครับครับครับเข้าไปชิดโดนอี่โอ้โหโดนทานดุซ้ําต้องสามครั้งเราจําได้ตรงเนี้ยท่านบอกว่าเนี่ยจะไปสอนเขาเนี่ยแล้วหลงปัจจุบันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหท่านไม่ยอมเราเลยโตตัวดุเราจําไหมนะธรรมะมีแต่ปัจจุบันนะ หลุดจากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมนี่หลุดจากปัจจุบันขนาดไม่มีอะไรเป็นธรรมปัจจุบันขณะท่านทําอะไรอยู่อ่ะอถ้ากําลังพูดอะไรอยู่เนี่ยเรากาลังพูดกันเนี่ยทําความเข้าใจกันเนี่ยเรากำลังพูดกันแล้วกําลังทําอะไรอยู่แต่ท่านหลุดจากปัจจุบันขณะเนี่ยขณะเนี่ยคุยกับหลวงปู่เนี่ยเพื่อเพื่อนมาคุยหลวงปู่เนี่ยไม่อะก็คุยกันนะอุตส่าห์ขอโอกาสหลวงปู่ขอโอกาส รายงานเรื่องจิตแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตไม่ดีนะรายงานเรื่องจิตดีเนี่ยโอ้โหโดดตาวาัดซะว่าอยากส่งจิตออกนอกเราจึงรู้เลยว่าโอ้ไม่ต้องปัจจุบันขนาดจริงๆอัศจรรย์ยังไงก็ตามเนี่ยโอ้ยมีหลายคนชอบมาเล่าให้เราฟังอย่างนู้นอย่างเนี้ยเราบอกอุย๊ยเนี่ยนะเราอดทนฟังบ้างเนี่ยนิดหน่อยเราก็บอกพอแล้วเรายังไม่ใจร้ายมากอลยสมมตปู่พ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยกเหอะไม่ทันได้ พูดเลยอ่ะท่านรู้ระยะทางไกลเลยอ่ะพอแค่ลงไปได้นั่นแหละท่านห้ามญาตห้ามเลยยกมือเบรกห้ามเลยไม่ขึ้นกุฏิเลยโดนตวารมาตะไกลเลยเนี่ยทันเร็วมากเลยอ่ะเราโดนแบบเนี้ยหลายครั้งมากเลยอยู่กับท่านเลยเราโอ้โหกลัวมากเลยเราอยู่บนเขาเนี่ยเราคิดแป๊เดียวลงไปกางลานไม่ทันขึ้นกุฏิเลยท่านว่าเราเลย นันเนี่ยท่านทิ้งได้ให้ทิ้งไปซะที่ไปเพง่งไปจ้องที่ทําให้ท่านอึดอัดไงแต่ท่านต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งไปข้างนอกอย่าส่งจิตออกนอกเข้ามาข้างในตัวท่านนั่นแหละท่านก็จะอยู่กับปัจจุบันขณะที่เป็นธรรม เข้าใจครับครันนี้ถ้าอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะทิ้งตัวตนได้ไหมครับหรือว่าต้องพิจารณากายอะไรเนี่ยท่นต้องลองอยู่ต้องลองดูครับเอรับพู้คุณ่าครู้จักเพราะว่าท่านยังไม่ได้เป็นปัจจุบันขณนะเลยท่านต้องลองให้เป็นปัจจุบันขณะก่อนคืนนี้ทั้งคืนไม่ต้องนอนพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วลองดูซิว่ามันจะทิ้งตัวตนได้ไหมมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าการหมอ่ากันจริง น, นะ